เอา่ายอย่าซีเรียกเรื่องนรกและสวรรค์นักรบซามูไรผู้โอหังผู้หนึ่ง ข้องใจเรื่องนรกและสวรรค์เป็นอย่างยิ่งจึงบุกไปที่วัดเซนแห่งหนึ่งและท้าทายให้นักบวชอธิบายเรื่องนรกสวรรค์ให้ฟังให้กระจ่างแต่เมื่อได้รับคำท้านักบวชกลับกล่าวว่าเจ้าเป็นแค่คนโง่เงาข้าไม่อาจเสียเวลาให้กับคนโง่อย่างเจ้าได้นักรบทามุไร รู้สึกเดือดดานมากจึงชักดาบออกจากฝักและตะโกนว่าข้าก็ขาก้าคนหยาบช้าเช่นเจ้าได้เหมือนกันนักบวชตอบกลับอย่างสงบว่านั่นคือนรกซามูไรหนุ่มเข้าใจในสิ่งที่นักบวชชี้ให้เห็นถึงความโกรธที่เข้าครอบงำเขาในทันทีเขารู้สึกสงบลงเก็บดาบเข้าฝัก และกล้มศีรษะคาระวะนักบวชพร้อมกล่าวขอบคุณนักบวชกล่าวเรียบๆว่าและนั่นคือสวรรค์